หมายถึงศิลปวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งภายนอกพระาศาสนาที่ไม่มีประโยชน์คำว่าเรียนคือเรียนเป็นบทต้องอบัดปาจิตตีทุกๆบทเรียนเป็นอักษรต้องอบัดปาจิตตีทุกๆตัวอักษร